คำพีวิสุทธิมักปริเฉกที่หนึ่งศีลานิเทศพันนาศีลโดยพิสดารก็แลววิสุทธิมักคือทางแห่งวิสุธทธินี้แม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงสแสดงโดยมุก ค, คือศีลสมาธิปัญญาอันทรงเคราะห์ด้วยคุณธรรมเป็นเอเนกประการดังที่พันนามาแล้วก็ตามนับว่าทรงสแสดงไว้อย่างย่อมาก เหตุนั้นจึงยังไม่เพียงพอเพื่อความเป็นอุปการะแก่เวณนัยศัตร์ทั่วทั่วไปดังนั้นเพื่อจะพนน า, นาความแห่งวิสุทธิมากนั้นอย่างพิสดารขอตั้งปัญหากรรมปรารบถึงศีลเป็นประการแรกดังนี้ปัญหาเรื่องศีลอะไรชื่อว่าศีลที่ชื่อว่าศีลเพราะอัฏฐว่าอะไรอะไรเป็นลักษณะเป็นรส เป็นอาการปรากฏและเป็นประทัดฐานของศีลศีลมีอนิสงส์อย่างไรศรีลนี้มีกี่อย่างอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลและอะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลวิสัชนาปัญหาข้อที่หนึ่งในปัญหากรรมเหล่านั้นมีคำวิสัชนาดังต่อไปนี้ปัญหาข้อว่าอะไรชื่อว่าศีลวิสัชนาว่า ธรรมะทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นอยู่ก็ดีของบุคคลผู้บำเพ็ญวัตตะปฏิบัติอยู่ก็ดีชื่อว่าศีลคำนี้สมดังที่พระธรรมมาเสนาบดีสาวรีปุตตะกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลสังวรชื่อว่าศีล การไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลในศีลเหล่านั้นคาว่าเจตนาชื่อว่าศีลได้แก่เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นอยู่หรือเจตนาของบุคคลผู้กำลังบำเพ็ญวัตตปฏิบัติอยู่เจตสิกศีลเจตสิกชื่อว่าศีล ได้แก่วิรติเจตสิกของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นอีกประการหนึ่งเจตนาชื่อว่าศีลได้แก่เจตนาในกรรมบทเจ็ดดวงของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งบาปธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นเจตสิกชื่อว่าศีลได้แก่กุศลธรรมทั้งหลายคือความไม่โลภความไม่พยาบาท ความเห็นชอบที่ตรัสไว้โดยในยะมีอาทิว่าภิกษุละอภิชาแล้วเป็นผู้มีจิตปราศจากอาภิชาอยู่สังวรศีลสังวรในคำว่าสังวรชื่อว่าศีลนี้นักศึกษาพึงทราบโดยประการห้าอย่างคือปาติโมคสังวรหนึ่งสติสังวรหนึ่ง ยาณสังวรหนึ่งขันติสังวรหนึ่งวิริยะสังวรหนึ่งในสังวรห้าอย่างนั้นสังวรนี้คือภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยความสังวรคือปาติโมกนี้ชื่อว่าปาติโมคะสังวรสังวรนี้คือภิกษุยอมรักษาซึ่งอินทรีย์คือจักสุ ย่อมถึงซึ่งความสังวรในอินทรีย์คือจากสุชื่อว่าสติสังวรสังวรนี้คือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาอจาิตะมานพว่าอจิตะกระแสะกิเลสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสะเหล่านั้นเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นกระแสะเหล่านั้นจะพึงตัดให้เด็ดขาดได้ด้วยปัญญา ชื่อว่าญานสังวรแม้การเสพปัจจัยก็ถึงซึ่งอันรวมลงในยาณสังวรนี้ด้วยส่วนสังวรนี้ใดซึ่งมาโดยนยะมีอาธิว่าภิกษุเป็นผู้อดทนต่อความหนาวเป็นผู้อดทนต่อความร้อนสังวรนี้ชื่อว่าคันติสังวรอันหนึ่งสังวรใดที่มาโดยนยะมีอาธิว่าภิกษุ ย่อมมให้การมาวิตกซึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ในภายในสังวร น, นี้ชื่อว่าวิริยะสังวรแม้อาชีวะปาริสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีพก็ถึงซึ่งอันรวมลงในวิริยะสังวร น, นี้ด้วยสังวรทั้งห้าอย่างนี้ก็ดีการงดเว้นจากวัตถุที่ประจบเข้าของเหล่ากุลบุตรผู้กลัวบาปก็ดี แม้ทั้งหมดนี้พึงทราบถือว่าเป็นสังวรสินด้วยประการชนนี้อวีติกบมศินคาว่าการไม่ล่งละเมิดชื่อว่าศีลได้แก่การไม่ล่งละเมิดที่เป็นไ ป, นปนทางกายและเป็นไ ป, นปนทางวาจาของบุคคลผู้สมาทานศีลแล้ว การวิสัชนาปัญหาข้อว่าอะไรชื่อว่าศีลประการแรกยุติด้วยประการชะนี้วิสัชนาปัญหาข้อที่สองจะวิสัชนาในปัญหาข้อที่เหลือต่อไปดังนี้ปัญหาข้อว่าที่ชื่อว่าศีลเพราะอัฏฐว่ากไรวิสัชนาว่า ที่ชื่อว่าศีลเพราะอธิว่าความปกติถามที่ว่าความปกตินี้คืออย่างไรตอบอย่างหนึ่งคือความทรงอยู่อย่างเรียบร้อยหมายความว่าความเป็นผู้มีกิริยาทางกายเป็นต้นไม่เกะ ก, กะด้วยอำนาจความสุภาพเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งคือความรองรับ หมายความว่าภาวะที่รองรับด้วยสามารถเป็นฐานรองรับกุศละธรรมทั้งหลายก็แหลกความหมายสองอย่างนี้เท่านั้นในศีลศัพท์นี้บรรดาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะของศัพท์รับรองต้องกันส่วนอาจารย์ฝ่ายอื่นพนานาความหมายในศีลศัพท์นี้ไว้แม้โดยในยะมีอาทิอย่างนี้ว่า ความหมายแห่งศีลสับหมายความว่ายอดความหมายแห่งศีลสับหมายความว่าเย็นจันนี้วิสัชนาปัญหาข้อที่สามลำดับนี้จะวิสัชนาในปัญหาข้อที่ว่าอะไรเป็นลนะักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏและเป็นประฐานของศีล ต่อไปดังนี้แม้สีนั้นถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากก็มีความปกติเป็นลักษณะเหมือนรูปซึ่งต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากก็มีภาวะจะพึงเห็นได้เป็นลักษณะฉะนั้นเหมือนอย่างว่าแม้รูปายตนะถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยที่ต่างกันด้วยสีเขียวสีเหลืองเป็นต้น ก็มีภาวะที่จะพึงเห็นได้เป็นลักษณะเพราะถึงแม้รูปายตนะจะต่างกันโดยประเภทแห่งสีเขียวเป็นต้นก็ไม่้นไปจากภาวะที่จะพึงเห็นได้ฉันใดแม้ศีลถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยต่างกันมีเจตนาเป็นต้นก็มีความปกติซึ่งได้กล่าวมาแล้วด้วยสามารถแห่งความทรงอยู่อย่างเรียบร้อยของกิริยาทางกายเป็นต้น และด้วยสามารถแห่งความเป็นฐานรองรับกุศลธรรมทั้งหลายนั้นนั่นแหลเป็นลักษณะเพราะถึงแม้ศีลจะต่างกันโดยประเภทแห่งเจตนาเป็นต้นก็ไม่พ้นไปจากความทรงอยู่อย่างเรียบร้อยและความรองรับฉันนั้นอันหนึ่งการขจัดเสียซึ่งความเป็นผู้ทุศีลหรือคุณคือความหาโทษมิได้ท่านกล่าวว่า เป็นรถของศีลอันมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วโดยอัตถว่าเป็นกิจและเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นชื่อว่าศีลนี้นักศึกษาพึงทราบว่าที่ว่ามีการขจัดเสียซึ่งความเป็นผู้ทุศีลเป็นรถนั้นด้วยรถเพราะอัตถะว่ากิจที่ว่ามีความหาโทษมิได้เป็นรถนั้น โดยรถเพราะอัฏฐาว่าสมบัติเป็นความจริงในปัญหาการ ม, มีลักษณะเป็นต้นกิจหรือสมบัตินั่นเองท่านเรียกว่ารถศีล น, นี้นั้นมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏวินยูชนทั้งหลายรับรองกันว่าโอตตะ ป, ปะและฮิริเป็นประทัดฐานของศีล น, นั้นจริงอยู่ ศีนี้นั้นมีความสะอาดที่ตรัสไว้อย่างนี้คือความสะอาดกายความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอาการปรากฏย่อมปรากฏโดยสภาวะอันสะอาดย่อมถึงภาวะอันจะพึงถือเอาได้ส่วนฮิริและโอตปักวินยูชนทั้งหลายรับรองกันว่าเป็นประทัดฐานของศีนั้นอธิบายว่า หิริและอดตับปะเป็นเหตุใกล้ของศีลเป็นความจริงเมื่อหิริและอดตับปะมีอยู่ศีลจึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่เมื่อฮิริและอดตับปะไม่มีศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เลยนักศึกษาพึงทราบลักษณะรสอาการปรากฏและประทัดฐานของศีล ตามที่พันณนามาด้วยประการชะนนี้วิสัชนาปัญหาข้อที่สี่ปัญหาข้อว่าศีลมีอานิสง์อย่างไรวิสัชนาว่าศีลนั้นมีอันได้ซึ่งคุณเป็นอันมากมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นเป็นอานิสง์สมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า อาณุนกุศลศีลมีความไม่เดือดร้อนเป็นผลมีความไม่เดือดร้อนเป็นอนิสงเหล่ายังมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้อย่างอื่นอีกว่าขหบดีทั้งหลายอนิสง์ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีห้าประการเหล่านี้อนิสงห้าประการนั้นคืออะไรบ้างหนึ่งข้บดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ยอมประสบกองแห่งภพขซับอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอ น, นิสงสปรการที่หนึ่งของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. ก้าบอดีทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเกียรติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรไป นี้เป็นอานิสงฆ์ประการที่สองของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. ามข้าบดีทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเข้าไปสู่สังคมใดๆจะเป็นสังคมกษัตริย์ก็ดีจะเป็นสังคมพราหมณ์ก็ดีจะเป็นสังคมขหบดีก็ดีจะเป็นสังคมสมณะก็ดีย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน นี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่สามของศีลสมษบัตของบุคคลผู้มีศีลสก่าบดีทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทากาละกิริยาคือไม่ตายเพราะความหลงนี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่สี่ของศีลสมบัตของบุคคลผู้มีศีล ประการที่ห้าข้าบุตรทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่ห้าของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล แม้อา น, นิสงค์ของศีลอย่างอื่นๆเป็นอเนกประการซึ่งมีความเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นต้นมีความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้โดยในย่ามีอาธิว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงมุ่งหวังอยู่ว่าขอให้เราพึงเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นที่เคารพและเป็นที่สรรเสริญของบรรดาภิกษุเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลาย เธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนั่นเถิดศีลมีคุณเป็นอันมากมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นเป็นอนิสงส์ดังพันนนามาด้วยประการชนนี้อนิสงส์แห่งศีลอีกในยะหนึ่งที่พึงของกุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนาเว้นเสียซึ่งศีลอันใดแล้วย่อมไม่มี ใครเล่าจะพึงพรรณนากำหนดอานิสงค์ของศีลอันนั้นได้น้ำคือศีลย่อมล้างมวลถินอันใดของสัตว์ทั้งหลายได้แม่น้ำสายใหญ่หญคือคงคายามุนาสรภูสรวดีอาชิรวดีหรือมหีที่ไหลไปหาสามารถล้างมวลถินนั้นของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไหม ศีลที่รักษาดีแล้วเป็นศีลห่างไกลาจากกิเลสมีความเย็นอย่างที่สุดนี้ย่อมบรรดาลความร้อนกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายให้สงบลงได้ลมปนฝนก็ดีจันทร์เหลืองก็ดีแก้วมุกดาแก้วมณีแสงจันทร์อ่อนก็ดีหาบรรดาลความร้อนกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้สงบลงได้ไหม กลิ่นอันใดที่ฟุ้งไปได้ทั้งทวนลมและตามลมเสมอกันกลิ่นอันนั้นที่จะทัดเทียมด้วยกลิ่นคือศีลจะมีแต่ที่ไหนบันไดสาหรับขึ้นสู่สวรรค์หรือประตูในอันเข้าสู่นครนรกผ่านอย่างอื่นๆที่จะเสมอด้วยศีลจะมีแต่ที่ไหนพระราชาทั้งหลายผู้ทรงประดับแล้วด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณี ก็ไม่งามเหมือนนักรตทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลศีลของบุคคลผู้มีศีลย่อมกําจัดภัยมีการตาหนิตนเป็นต้นเสียได้โดยประการทั้งปวงและย่อมบันดาลให้เกิดเกียรติและความหัรนสาในการทุกเมื่อนักศึกษาพึงทราบกระถามุกอันแสดงถึงอนิสงของศีล อันเป็นมูลรากแห่งคุณทั้งหลายและเป็นเครื่องทำลายกําลังแห่งโทษทั้งหลายด้วยประการดังพันานามาชน้แลวิสัชนาปัญหาข้อที่ห้าลำดับนี้จะวิสัชนาในปัญหากรรมข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าศีลนี้มีกี่อย่างต่อไปดังนี้ สีลมีอย่างเดียวสินนี้สิ้นทั้งมวลชื่อว่ามีอย่างเดียวด้วยลักษณะคือความปกติของตนเป็นประการแรกสีลสองอย่างสินสองอย่างหมวดที่หนึ่งโดยแยกเป็นจาริศสิหนึ่งวาริศสินหนึ่งสิ น, น, ส, นสองอย่างหมวดที่สองโดยแยกเป็นอาภิสมาจาริศสินหนึ่ง อธิปรมาริกศสีนึงีสลสองอย่างหมวดที่สามโดยแยกเป็นวิรติสีนึงอวิรติสีนึงหมวดที่สี่แยกเป็นนิสิศตศสีนึงอานิสิตศสีนึงหมวดที่ห้าแยากเป็นกาลปริยันตสีนึงอาปาณาโคติกศสีนึงหมวดที่หกแยกเป็นสัปปริยันตสีนึง อปาลิยันตสีนึงหมวดที่เจ็ดโดยแยกเป็นโลกิยศสีนึงโลกุตระศีนึงสีนสามอย่างหมวดที่หนึ่งแยกเป็นหีนศสีนึงมาชิมะสีนึงปณีตาสีนึงหมวดที่สองโดยแยกเป็นอัตตาธิปไตายศสีนึงโลกาธิปไตยศสีนึงและธรรมาธิปไตยศสีนึง หมวดที่สามโดยแยกเป็นปารามัทธสีหนึ่งอปารามัทธสีหนึ่งและปฏิปสิทธิศีหนึ่งสีสามอย่างหมวดที่สี่โดยแยกเป็นวิสุทธศีหนึ่งอวิสุทธศีหนึ่งและเวมาติกศีหนึ่งสีสามอย่างหมวดที่ห้าโดยแยกเป็นเศคศีหนึ่งอเศคศีหนึ่งเนววาเสขนาเศคารีหนึ่ง ศีลสี่อย่างหมวดที่หนึ่งโดยแยกเป็นหานภาคิยาศีลหนึ่งทิตภาคิยาศีลหนึ่งวิเศสภาคิยาศีลหนึ่งนิพเทภาคิยาศีลหนึ่งศีลสีอย่างหมวดที่สองโดยแยกเป็นภิกุศีลหนึ่งภิกุณีศีลหนึ่งอนุปสัมปันนศีลหนึ่งขหัตถศีลหนึ่ง ศีลสี่อย่างหมวดที่สามโดยแยกเป็นปกติศีลหนึ่งอาจารศีลหนึ่งธรรมตาศีลหนึ่งปุพพายเถรตุกะศีลหนึ่งศีลสี่อย่างหมวดที่สี่โดยแยกเป็นปฏิโมกสังวรศีลหนึ่งอินรียะสังวรศีลหนึ่งอาชีวะปาริสุทธิศีลหนึ่งปัจจยะสนิสิตะศีลหนึ่งศีลห้าอย่าง หมวดที่หนึ่งโดยแยกเป็นปาริยันต์ปาริสุทธิที่ศีลเป็นต้นข้อนี้สมจริงดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสาวรีปุตตะแสดงไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามากว่าศีลห้าอย่างคือปาริยันตปาริสุท ธ, ธิ์ที่ศีลหนึ่งอปาริยันต์ปาริสุทธิที่ศีลหนึ่งปาริปุณณะปาริสุทธิศีลหนึ่งอัปารามัฏฐปาริสุทธิศีลหนึ่ง ปฏิปัสสิปาริสุทธิที่ศีลหนึ่งศีลห้าอย่างหมวดที่สองโดยแยกเป็นปหาณศีลหนึ่งเวรามณีศีลหนึ่งเจตนาศีลหนึ่งสังวรศีลหนึ่งอวีติกะมศีลหนึ่งอธิบายศีลมีอย่างเดียว ในบรรดาศีลเหล่านั้นอธิบายในส่วนแห่งศีลมีอย่างเดียวนักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเทียวอธิบายศีลสองหมวดที่หนึ่งในส่วนแห่งศีลมีสองอย่างมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้การบาเพ็ญศิกขาบทตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้ควรทำดังนี้อันใด การบำเพ็ญสิกขาบทนั้นชื่อว่าจาริตศีลการไม่ฝ่าฝืนศิกขาบทที่ทรงห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำดังนี้อันใดการไม่ฝ่าฝืนนั้นชื่อว่าวาริตศีลในศีลสองอย่างนั้นมีอัตถวิเคราะห์ถ้อยคำดังนี้บุคคลทั้งหลายย่อมประพฤติในศีลนั้น คือเป็นไปด้วยความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายฉะนั้นศีล น, นั้นชื่อว่าจาริตศีแลแปลว่าศีลเป็นที่ประพฤติตามของบุคคลทั้งหลายยอมป้องกันคือรักษาซึ่งสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามด้วยศีล น, นั้นฉะนั้นศีล น, นั้นชื่อว่าวาริตศีล แปลว่าศีลเป็นเครื่องป้องกันสิกขาบทที่ทรงห้ามในศีลสองอย่างนั้นเจ้าริตศีลสำเร็จด้วยศรัทธาและวิริยะวาริตศีลสาเร็จด้วยศรัทธาศีลสองอย่างโดยแยกเป็นเจ้าริตศีลและวาริตศีลอยุติด้วยประการชนนี้ อธิบายศีลสองหมวดที่สองในศีลสองอย่างหมวดที่สองมีอัธยาธบายดังต่อไปนี้คำว่าอภิสมาจารได้แก่ความประพฤติอย่างสูงอภิสมาจาร์ศัพท์นั่นแหละสำเร็จรูปเป็นอภิสมาจาริกอีกอย่างหนึ่งสิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรารบอภิสมาจารชื่อว่าอภิสมาจาริก คำว่าอภิสมาจาริกนี้เป็นชื่อของศีลที่นอกเหนือไปจากอาชีวัธรรมกศีลศีลชื่อว่าอาธิพรหมจริยกะเพราะเหตุว่าเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพระพรหมจันทร์คำว่าอาธิพรหมจริยกะนี้เป็นชื่อของอาชีวัธรรมกศีลเป็นความจริง ศีลนั้นมีภาวะเป็นเบื้องต้นของมรรคเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องชำระให้บริสุทธิ์ในการอันเป็นส่วนเบื้องต้นนั่นเทียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าก็แหละกายกรรมวจีกรรมอาชีพของภิกษุนั้นย่อมเป็นสภาพบริสุทธิ์ด้วยดีในเบื้องต้นโดยแท้แลอีกประการหนึ่งสิกขาบทเหล่าใด ที่ตรัสไว้ว่าเป็นสิกขาบทเล็กๆน้อยๆสิกขาบทนี้จัดเป็นอภิสมาจาริกคสินสิกขาบทที่เหลือจัดเป็นอธิปรมจาจริยคสินอีกประการหนึ่งสิกขาบทที่นับเนื่องในอุปัโตวิพังคําว่าอุปัโตวิพังได้แก่วิพังสองคือภิกขุวิพังและภิกขุณีวิพัง ชื่อว่าอาธิโภมาจาริกาสินสิกขาบทที่นับเนื่องในคันธกะล่าวัดชื่อว่าอาภิสมาจาริกาสินอาธิโภมาจาริกาสินจะสําเร็จได้ก็ด้วยความสมบูรณ์แห่งอาภิสมาจาริกาสินนั้นเพราะเหตุฉชนั้นแหละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนา ไม่ทำอภิสมาจาริกกรรมให้บริบูรณ์แล้วจะทำอธิพรมจริยกธรรมให้บริบูรณ์ดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ศีล ส, สองอย่างโดยแยกเป็นอภิสมาจาริกศีลและอธิพรมจริยกศีลอยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลสองหมวดที่สาม ในศีลสองอย่างหมวดที่สามมีอัธาธิบายดังต่อไปนี้ภาวะสักว่าความงดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นชื่อว่าวิรติศีลคุณธรรมที่เหลือมีเจตนาเป็นต้นชื่อว่าอวิรติศีลศีล ส, สองอย่างโดยแยกเป็นวิรติศีลและอวิรติศีลอยุติด้วยประการชนนี้ อธิบายศีลสองหมวดที่สี่ในศีลสองอย่างหมวดที่สี่มีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่านิสัยได้แก่นิสัยสองอย่างคือตัณหานิสัยหนึ่งทิฏฐินิสัยหนึ่งในศีลสองอย่างนั้นศีลใดที่บุคคลปรารถนาภวะสมบัติให้เป็นไปอย่างนีิว่า เราจกได้เป็นเทพเจ้าหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลนี้ศีลนี้ชื่อว่าตัณหานิสิตาศีลศีลได้ที่บุคคลให้เป็นไปด้วยทิฏฐิล้วนๆอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลนี้ศีลนี้ชื่อว่าทิฏฐินิสิตาศีลส่วนศีลใดที่เป็นโลกุตราชีลและเป็นโลกิยาศีล แต่เป็นเหตุแห่งโลกุตระศีนั้นเฉพาะศีล น, นี้ชื่อว่าอนิสิตตศีนศีนสองอย่างโดยแยกเป็นนิสิตาศีนและอนิสิตาศีนยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีนสองหมวดที่ห้าในศีนสองอย่างหมวดที่ห้า มีอธิบายดังต่อไปนี้ศีลที่บุคคลสมท า, านกาหนดเวลาชื่อว่ากาละปริยันต์ศีลศีลที่บุคคลสมท า, านตลอดชีวิตแล้วคงให้ดำเนินไปได้เหมือนอย่างนั้นชื่อว่าอาปานาโกติกศีลศีล ส, สองอย่างโดยแยกเป็นกาละปริยันต์ศีลและอาปาณโกติกศีลยุติด้วยประการชนนี้ อธิบายศีลสองหมวดที่หกในศีลสองอย่างหมวดที่หมีอธิบายดังต่อไปนี้ศีลที่มีความเห็นด้วยสามารถแห่งลาบยศญาตอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุดชื่อว่าสปริยันตศีลศีลที่ตรงกันข้ามชื่ออปริยันตศีล สมจริงดังที่ท่านพระธรมรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามากว่าศีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรศีลมีลาบเป็นที่สุดมีอยู่ศีลมียศเป็นที่สุดมีอยู่ศีลมีญาติเป็นที่สุดมีอยู่ศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดมีอยู่ศีลมีชีวิตเป็นที่สุดมีอยู่ ศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ตนสมาทานแล้วเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการนี้ชื่อว่าศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นแม้ศีลทั้งหลายนอกนี้นักศึกษาก็เพึ่งอธิบายให้พิศดารโดยทานองนี้นั่นเทียว แม้ในอธิการวิสัชนาอภาริยันต์ศีลท่านพระธรรมเสนาบดีสาริปุตตะก็ได้กล่าวไว้ว่าศรลที่ไม่ใช่มีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้แม้แต่จิตก็ไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ตนสมาทานแล้วเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการฉะนั้นเขาจากล่วงละเมิด นี้ชื่อว่าศีลมิใช่มีลาบเป็นที่สุดนั้นแม้ศีนทั้งหลายนอกนี้นักศึกษาก็พึงอธิบายให้พิสดารโดยทำนองนี้นั่นเทียวศีนสองอย่างโดยแยกเป็นสปริยันตศีนและอปาริยันตศีลรร ย, ยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีนสองหมวดที่เจ็ด ในศีลสองอย่างหมวดที่เจ็ดมีอัตราธิบายดังต่อไปนี้ศีลที่ประกอบด้วยอาสวะแม้ทุกประเภทชื่อว่าโลกิยาศีลศีลที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะชื่อว่าโลกุตระศีลในศีลสองอย่างนั้นโลกิยาศีลย่อมนำมาซึ่งภพชั้นวิเศษและเป็นเหตุแห่งอันออกจากภพด้วยสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า วินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสังวรความสังวรเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเพื่อประโยชน์แก่ความปราโม์ความปราโม์เพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ความสงบใจความสงบใจเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิ เพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูตยานัทสนะยะาภูตยานัทสนะเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทานิพพิทาเพื่อประโยชน์แก่วิราคะวิราคาเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติยานัทสนะวิมุตติยาณทัทสนะเพื่อประโยชน์แก่อนุมาทาปริณิพาน การหลุดพ้นแห่งอนุปาทาจิตนี้ใดการพูดวินัยก็มีการหลุดพ้นแห่งอนุปปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์การปรึกษาวินัยก็มีการหลุดพ้นแห่งอนุปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์การเข้าไปอิงวินัยก็มีการหลุดพ้นแห่งอนุปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์การเงียสวดลงฟังวินัยก็มีการหลุดพ้นแห่งอนุปปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์ โลกุตราศีลย่อมนำมาซึ่งการออกจากภพและเป็นภูมิแห่งปัจเจเวคขณะยานด้วยศีล ส, สองอย่างโดยแยกเป็นโลกิยาสิและโลกุตราศีลยุ ต, ติด้วยประการชนนี้